เท้ามหานามะตัดว่าที่ดาของหม่อมฉันชื่อวาสภาคติยาเกิดในท้องของนางทาสีถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่พวกเราจักให้นางนั้นดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับพวกทูตว่าดีละพวกเราจักถวายเจ้าหญิงแดพระราชาทูต เป็นพระธิดาของเจ้าสกยะองค์ไหนเจ้าสกยะเป็นพระธิดาของเท้ามหานามะสกยาราชผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อวาสภะคติยาพระราชาทรงตั้งให้นางเป็นใหญ่วาสตีห0 0คนอภิเศกไว้ในตำแหน่งอัครมหาเหสี ต่อการไม่ช้านักนางประสูตรพระโอรสพระนามว่าวิทูทภะวิธูทภะเสด็จเยี่ยมสั ก, กยะสกุลวิธูทภะนั้นทรงเจริญด้วยเครื่องบำรุงสำหรับกุมารในเวลามีพระชนจ็ดชสัสาทรงเห็นของเล่นต่างๆมีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้น ของกุมานเหล่าอื่นอันบุคคลนำมาจากตระกูลยายจึงถามพระมารดา ว, ว่าเจ้าแม่ใครๆเขาก็นำบรรณาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุรมานเหล่าอื่นพระญาติไร่ไไม่ส่งบรรณาการไร่มาเพื่อมอมฉันเจ้าแม่ไม่มีพระชนกช น, นนีหรือทีนั้น พระมารดาจึงวงโอรสนั้นว่าเจ้าสักยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่แต่อยู่ไกลเหตุนั้นพวกท่านจึงมิได้ส่งเครื่องบรรณาการไรๆมาเพื่อเจ้าในเวลามีพระชนสาคบสิบหกปีพระกุมารจึงทูลพระมารดาอีกว่าเจ้าแม่หม่อมฉันไข่จะเยี่ยมตระกูลของพระเจ้ายายแม้ถูกพระมารดาห้ามอยู่ว่า อย่าเลยลูกเอ๋ยลูกจะไปทำอะไรในที่นั้นก็ยังอ้อนวอนร่ำไปทีนั้นพระมารดาก็ทรงยินยอมว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดพวกสักยะต้อนรับวิทูทภพะพระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแล้วเสด็จออกไปพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมาก พระนางวาสภคติยาส่งจดหมายร่วงหน้าไปก่อนว่าหม่อมฉันอยู่ในที่นี้สบายดีพญาตทั้งหลายอย่าแสดงโทษไร่ไรของพระสวามีแก่พระกุมารนั้นเลยเจ้าสักยะทรงทราบว่าวิทูทภักกุมารเสเด็จมาทรงปรึกษากันว่าพวกเราไม่อาจไหววิทูทภักุมารได้ จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เด็กๆ ก, กว่าวิทูทะพะนั้นไปยังชนบทเสียเมื่อวิทูทะพะกุมารนั้นเสด็จถึงกรุงกบินรพัทบรีก็ประชุมกันในท้องพระโรงวิทูทะพะกุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ณที่นั้นลำดับนั้นพวกเจ้าศักยะกล่าวกับพระกุมารนั้นว่าพ่อผู้นี้เป็นพระเจ้าตาของพ่อ ผู้นี้เป็นพระเจ้ารุงวิทูทะภากุมารนั้นเที่ยวไหว้เจ้าสักยะทั้งหมดมิได้เห็นเจ้าสักยะแม้องหนึ่งไหว้ตนจึงทูลถามว่าทำไมหนอจึงไม่มีเจ้าสักยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้างพวกเจ้าสักยะตรัดว่าพ่อกุมารที่เป็นน้องนองของพ่อเสด็จไปชนบท แล้วทรงทำศักการะใหญ่แก่พระกุมาร น, นั้นพระองค์ประทับอยู่สิ้นสองถึงสามวันก็เสด็จออกจากพระนครด้วยบริวารเป็นอันมากวิทูทพะกับสู่เมืองของตนลำดับนั้นนางทาสีคนหนึ่งแช่งด่าว่านี้เป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสีชื่อวาสภคติยานั่งดังนี้แล้ว ล้างแผ่นกระดานที่พระกุมาร น, นั้นนั่งในท้องพระโรงด้วยน้ำเจือด้วยน้านมมหาฤกษ์ของวิทูทพะคนหนึ่งลืมอาวุธของตนไว้กลับไปเอาอาวุธนั้นได้ยินเสียงด่าวิทูทพะกุมารจึงถามโทษนั้นทราบว่านางวาสภคติยาเกิดในท้องของนางทาสีของเท้ามหานามะสั ก, กยะ จึงบอกกล่าวแก่พวกคนอื้อเฉากันอย่างขนานใหญ่ว่าได้ยินว่าพระนางวาสภคติยาเป็นที่ดาของนางทาสีวิทูทพะทรงอาฆาต พ, พวกเจ้าศักยะเจ้าวิทูทพะทรงสดับคำนั้นศักด์ศีคติยะถูกย้ำยันกระตุ้นให้โทสะแรงกล้าพุ่ขึ้นโทสะได้ขึ้นสู่ระดับผิวจิต ตัดคำสาบานว่าเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งด้วยน้ำเจือด้วยน้ํานมก่อนแต่ในการที่เราดำรงราชสมบัติแล้วเราจะเอาเลือดในลำคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นล้างแผ่นกระดานที่เรานั่งดังนั้นวิทูทพะได้มัดองค์เองอย่างแน่นหนากับเหล่าญาติเจ้าสักยะ ด้วยความข้างแค้นพยาบาทโดยวจีทุจริตคือดําหลัดอาฆาตนั้นในวาระนี้อัตมาใครจะย้ำเตือนให้ท่านไต่ตองอย่างละเอียดถึงธรรมชาติของมนุษย์คนทุกคนไม่ว่าจะมีสถานภาพสูงหรือต่ำดีหรือด้อยรวยหรือจนโง่หรือฉลาดมีโมหะหรือมีปัญญา ล้วนถือว่าตนมีศักดิ์ศรีคนส่วนใหญ่คิดถึงแต่ความสำคัญของตอนเองหากถูกใครยางเยียดว่าต่ำต้อยไร้ค่าหรือประพฤติต่อเขาโดยปราศจากความเคารพนับถือก็จะทำให้เขาเจ็บใจโอดแค้นหุ่นเคืองความอยากแก้เผ็ดอาจผุดขึ้นในจิตดังเนื้อหาตอนต่อไปนี้ พระเจ้าวิทูธพภะเสด็จไปพบพระศาสดาแม้พระเจ้าวิทูธพภะได้ล่าจะสมบัติแล้วทรงระลึกถึงเวนนั้นทรงดำริว่าเราจากยังเจ้าสักยะแม้ทั้งหมดให้ตายดังนี้แล้วจึงสเสด็จออกไปด้วยเสนาใหญ่ในวันนั้นพระศาสด า, สดาทรงตรวจ ด, ดูโรคในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นความพินาศแห่งหมูพ่พญาแล้วทรงดำริว่าเราควรกระทำญาติสังคหะในเวลาเช้าสเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินธบาตสเสด็จกลับจากบินธบาตแล้วทรงสำเร็จสีหะสายยาในพระคันธกุฎีในเวลาเย็นสเสด็จไปทางอากาศประทับนั่งที่โคนไม้มีเงาปลุก ป, ปรงใกล้เมืองกร บ, บินละพัท แต่นั้นไปมีต้นไทรเงาสนิทต้นใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ในรัชสีมาของพระเจ้าวิทูทพะพระเจ้าวิธูทพะทอดพระเนตรเห็นพระศ า, าสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถว า, ายบางังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงประทับนั่งแล้วที่โคนไม้เงาปุก่งนี้ในเวลาร้อนเห็นป่านี้ ขอพระ อ, องค์โปรดประทับนั่งที่โคนไซมีเงาอันสนิทนั่นเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อพระศ า, าสดาตัดตอบว่าช่างเถอะมหาบาพิษชื่อว่าเงาของหมู่พญาตเป็นของเย็นจึงทรงดําริว่าพระศ า, าสดาจากเสด็จมาเพื่อทรงประสงค์รักษาหมู่พญาตจึงถวายบังคมพระศ า, าสดา สเสด็จกลับไปสู่เมืองสาวัตถีนั่นแร ى. แม้พระศ า, าสดาก็ทรงเหาะไปสู่เชตวันเหมือนกันพระราชาทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกเจ้าศักย ะ, สะเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สองทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแร ى, ก็สเสด็จกลับอีกสเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สามทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแร ى, ก็สเสด็จกลับ แต่เมื่อพระเจ้าวิทูทภะนั้นสเสด็จออกไปในครั้งที่สพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุพกรรมของเจ้าสักยะทั้งหลายเป็นกรรมอันใครๆห้ามไม่ได้จึงมิได้สเสด็จไปในครั้งที่สี่พระเจ้าวิทูทภะเสด็จออกไปแล้วด้วยพลใหญ่แล้วข้าเจ้าสักยะทั้งหลายไม่เว้นทารกแม้ยังดื่มนม ไว้ชีวิตแต่เจ้าสักยะที่อยู่กับเสด็จตาคือเท้ามหานามะอย่างแม่น้ําคือโรหิตให้ไหลไปแล้วรับสั่งให้ร้างแผ่นกระดานด้วยโรหิตในลําคอของเจ้าสักยะเหล่านั้นตามที่ได้สาบานไว้ตอนนี้เราก็ได้เห็นว่ากิเลสระดับผิวจิตคือปริยุทธฐานะกิเลสได้แปลเป็นระดับ ล่วงละเมิดคือวีติกมะกิเรสโดยกายทุจริตซึ่งกรณีนี้คือการฆ่าเจ้าศักยะเมื่อมหาชนได้ยินเรื่องการแก้แค้นมหาวิปโยคนั้นก็พึงพำรรด้วยความรันทดและไม่อยากเชื่อว่ากรรมที่พวกเจ้าศักยธะทมเมื่อเจ้าวิทูทพะมีพระชนมายุส6ชันษานั้นเป็นแค่กรรมเล็กน้อย แต่พระเจ้าวิทูธาภะทรงแก้เผ็ดโหดเหี้ยมมากเกินไปความตายของเจ้าสักยะทั้งหลายไม่สมควรเลยพวกเจ้าสักยะตายสมควรแก่บุพกรรมพระศาสดาทรงสดับคํานั้นแล้วจึงตรัสว่าพิสุทั้งหลายความตายอย่างนี้ไม่สมควรแก่เจ้าสักยะทั้งหลายในอัตภาพนี้ก็จริง ถึงอย่างนั้นความตายที่พวกเจ้าศักระนั่นได้แล้วก็ควรโดยแท้ด้วยสามารถแห่งกรรมรามกที่เขาทำไว้ในปางก่อนคือเจ้าศักระเหล่านั้นร่วมกันโปรยยาพิษในแม่น้ำเพื่อฆ่าสัตว์น้ำอกุศลกรรมนั้นจึงทำให้บุคคลหนึ่งปรากฏขึ้นเพื่อฆ่าพวกเขาเจ้าศักระทั้งหลาย ถูกฆ่าเป็นผลจากวิบากกรรมชั่วในอดีตชาติกรรมนั้นเองได้เปิดประตูเพื่อให้ผลของกรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดอธิบายในคาถาธรรมบทอัตวั์ที่12ว่าความชั่วที่ตนทำไว้เองเกิดแต่ตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำ ย, ยีคนมีปัญญาสาม ดุดเพชรย่ำยีแก้วมณีที่เกิดแต่หินฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมถามว่าจำเป็นจริงๆ่ะหรือที่เราจะบ่นว่าคนอื่นที่ทำให้เราเจ็บกล่าวตู่เราหรือจับผิดเราว่าโดยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครที่ควรถูกตาหนิเราไม่ควรตาหนิตนเองที่ได้กระทําอกุศ ล, ลกรรมในอดีตชาติ อันส่งผลให้เราต้องเจ็บตัวหรือโทมนัสใจในชาตินี้หรือขอให้เราหยุดการตอบโต้ต่อบุคคลใดๆในชาตินี้ไม่สำคัญว่าผู้นั้นจะพยาบาทประทุษร้ายเราสักเพียงใดก็ตามถ้าเราปล่อยให้กรรมที่สุกงอมนั้นให้ผลและยอมรับกับผลของกรรมนั้นแต่โดยดีวิบากกรรมก็จะเบาบางลงและอนาคตของเรา ก็จะสดใสามากขึ้นดังนั้นขอให้เรายินดีรับผลของกรรมเก่าด้วยรอยยิ้มถ้าหากเราตอบโต้ด้วยกายะทุจริตหรือวจีทุจริตการกระทำทุจริตนั้นมีแต่จะเพิ่มหนี้กรรมเป็นหนี้ที่เราจําต้องชดใช้ในอนาคตดังนั้นขอให้เราไตรตรองให้รอบคอบและรอบด้านก่อนจะทำกรรมใดใด การทำกุศลกรรมจะทำให้ชีวิตในภพหน้าของเราดีขึ้นการทำอกุศลกรรมจะนำให้เราต้องทุกข์มากขึ้นอย่างแน่นอนบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาและปฏิสัมพิทามีปัญญาแตกฉานยอมรู้ว่าควรเลือกทำกรรมใดย้อนกลับไปที่สัจจตัสูตรความว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ถ้าว่าพิสุจเมื่อพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้ปรสศจากถีนะมิทะอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่โดยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้ไม่โกรธอยู่โดยมาก เป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายอันมิได้ปรารบแรงกล้าอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากดังนี้ไซพิสูจน์นั้นก็ไม่พึงพอใจแต่เพียงนั้นควรตั้งอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วพึงทำความเพียรความพยายาม ความอุตสาหะความขมักขะเม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปทำอย่างไรเราจึงจะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ให้มีประมาณยิ่งขึ้นไปได้หรือกล่าวอีกไงหนึ่งจะเจริญสู่ชีวิต ที่ปลอดภัยแท้ได้อย่างไรประการแรกเราต้องรักษาศีลโดยละเว้นจากอากุศลกรรมทางกายและวาจาคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดเท็จและการเสพสุรายาเสพติดด้วยวิธีนี้ทำให้การกระทำทางกายและวาจาของเราบริสุทธิ์ ตลอดจนปกป้องตอนเองจากผลของอกุศุ ล, ลกรรมราวนี้คืออานิสง์ของศีลประการที่สองเราจำเป็นต้องทำจิตให้บริสุทธิ์โดยการปฏิบัติสมาถากรรมฐานเพื่อเจริญสมาธิขั้นลึกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระเอาต่อยะนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจานวนมากเจริญสมาธิจนบรรลุฌาน อั ป, ปนาสมาธิในขณะอยู่ในฌานไม่ว่าหนึ่งสองสหรือหลายชั่วโมงผู้ปฏิบัติธรรมจะวางจิตจดจ่อที่ปฏิภาคนิมิตเพียงอารมณ์เดียวจึงส่งผลให้อนุสัยกิเลส ต, ต้องนอนสงบอยู่ไม่สามารถผุดขึ้นสู่ผิวจิตดังนั้นเมื่ออนุสัยกิเลสไม่สามารถคุขึ้น เป็นปริยุท ธ, ธานะกิเลสที่ครอบงมจิตกิเลสเหล่านี้จึงไม่อาจแปลเป็นวีติกมะกิเลสที่ร่วงละเมิดทางกายวาจาดังนั้นจิตจึงบริสุทธิ์จากการกระทํามโนทุจริตได้ชั่วข่าวตราที่ยังอยู่ในฌานอัตมาขอสรุปสิกขาสองระดับแรกดังต่อไปนี้โดยการรักษาศีล เราปุกป้องตนเองจากการกระทาทุจริตทางกายและวาจาโดยการเจริญอัปปนาสมาธิเราปกป้องตนเองจากการกระทามโนทุจริตแต่ทว่ากิเลสยังคงนอนเนื่องอยู่ในสันดานในสภาพของอนุัยกิเลสซึ่งมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกิเลสเหล่านี้ก็จะคุ ข, ขึ้นสู่ผิวจิตอย่างรวดเร็วนอกจากว่า กิเลสจะถูกละได้หมดจดเด็ดขาดในกรณีของพระเจ้าวิทูทพภหลังจากที่พระองค์ได้สดับเรื่องการล้างอาฐที่พระองค์ประทับนั่งด้วยน้ำเจียวน้ำนมอนุสัยกิเลสของความโกรธและความแค้นก็คุกขึ้นสู่ผิวจิตอย่างรวดเร็วและแปลเป็นการล่วงละเมิดอย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งนำให้เกิดผลคือ โศกนาตกรรมทั้งการสังหารหมู่ญาติฝ่ายเจ้าศักระและผลของอกุสโณกรรมที่คืนสนองแก่พระเจ้าวิทูธพะอย่างรวดเร็วพระเจ้าวิทูธพะถูกน้ําท่วมสวรรคตพระเจ้าวิทูทพะนั้นระหว่างการเสด็จกับแควนโกสนเสด็จถึงแม่น้ําอาจิราวดีในเวลาราตรี รับสั่งให้ตั้งค่ายแล้วลงไปนอนเหนือหาดทรายขณะนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนลูกเห็บให้ตกแล้วห่วงน้ำหลากมาท่วมทับพระเจ้าวิธูท พ, พะพร้อมด้วยบริษัทให้ถึงสมุทรน่นแลชวนทั้งหมดได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่าในสมุทรนั้นแล้วพระพุทธดำหลัดหนึ่งมีความว่า สอนสองคันวิ่งไล่ตามสัพพสัตว์คันหนึ่งคือกุศลอีกคันหนึ่งคืออกุศลซึ่งเป็นสอนจากอดีตชาติดังนั้นเมื่อเราทำอกุศลกรรมในชาตินี้อกุศลกรรมนั้นย่อมเป็นเหตุให้ผลของอกุศลกรรมในอดีตชาติถึงความสุขงอมดังนั้นแม้จะร่วงละเมิดเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเพียงปัจจัยหนุนเราจึงอาจต้องใจหนี้ก้อนใหญ่ในทางกลับกันเมื่อเราทำกุศลกรรมในชาตินี้กุศลกรรมนั้นอาจเป็นเหตุให้ผลของกุศลกรรมในอดีตชาติถึงความสุขงอมดังนั้นแม้เราทำกุศลกรรมเพียงหนึ่งอย่างเราก็อาจได้รับอานิสงส์สูงย้อนกลับมาที่เรื่องพระเจ้าวิทูธภะ ถ้าหากเจ้าวิทูธาภะมีสติและปฏิบัติโดยพิจารณาด้วยปัญญาโยนิโสมนัสิการพระ อ, องค์ก็จะสามารถข่มความโกรธและความแค้นเคือง ม, มิให้กุขึ้นสู่ผิวจิตและพระ อ, องค์ก็จะไม่ต้องเสด็จไปสังหารพญาตตลอดจนพระ อ, องค์เองและบริวารก็จะไม่ต้องจมน้ําสวรรคต ถึงตอนนี้เราก็ได้ทราบว่าอนุสัยกิเลสคุข้ ข, ขึ้นสู่ผิวจิตและแปลเป็นการล่วงละเมิดได้อย่างไรและเราจะปกป้องตอนเองจากการล่วงละเมิดเหล่านี้ได้อย่างไรแต่อตมายังไม่ได้อธิบายว่าเราจะละอนุสัยกิเลสได้อย่างไรถ้าเราต้องการละกิเลสเราต้องเจริญสิกขาที่สาคือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิธีพื้นฐานสองวิธีที่นำสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิธีหนึ่งคือการเจริญอัปปนาสมาธิโดยอาณาปานาสติหรือสมถกรรมฐานอื่นแล้วจึงจะปฏิบัติจตุธาตกรรมฐานเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานอีกวิธีหนึ่ง สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินโดยทางตรงมากกว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเริ่มด้วยการปฏิบัติจตุธากรรมฐานโดยวิเคราะห์แยกธาตุที่ประกอบกันเป็นรู ป, ปรกายเมื่อสมาธิเจริญขึ้นจะเห็นกายเป่งแสงออกมาเมื่อปฏิบัติต่อไปแสงจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีขาวในที่สุด แสงก็จะสว่างมากขึ้นมากขึ้นจนเราเห็นทั้งร่างเป็นมวลของแสงสว่างเมื่อกำหนดรู้สภาวะลักษณะของท่าสี่อย่างต่อเนื่องในมวลแสงนั้นในที่สุดมวลแสงนั้นก็จะแตกออกเป็นอนูจิว๋วเรียกว่ารูปกระลาเมื่อบฏิบัติในลาดับต่อไปเราก็จะเห็นรูป 8, 9, 10สิบ 11 12หรือ13ชนิดในแต่ละรูปกราลซึ่งรูปชนิดต่างๆเหล่านี้คือรูปปรมัาทของรู ป, ปรกายเมื่อได้กําหนดเห็นธาตุสี่ภายในจนถึงระดับปรมัาททะรูปแล้วก็ต้องกําหนดเห็นธาตุสี่ในภายนอกก็จะเห็นทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตภายนอกปรากฏเป็นแต่รูปกราล ที่เกิดดับอย่างรวดเร็วณจุดนี้เราก็จะไม่เห็นว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นต้นไม้หรือรูปบรร ญ, ญัติใดๆจะเห็นเป็นเพียงรูปก ร, ราบที่เกิดดับอย่างรวดเร็วถึงตอนนี้เราก็จะเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์แยกนามปรมัตเมื่อเราปฏิบัติ นามกรรมฐานสำเร็จแล้วเราก็จะได้รู้จักและเห็นกระบวนการทางจิตได้เห็นจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นขณะขณะติดต่อกันเป็นวิธีจิตต่างๆทั้งภายในและภายนอกหลังจากที่ได้รู้จักและเห็นรูปนามปรมัต์แล้วก็จะต้องปฏิบัติปฏิจจสมุปบาท เพื่อให้ได้รู้ธรรมที่เป็นเหตุและธรรมที่เป็นผลเมื่อได้เห็นเหตุและผลแล้วจึงจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยพิจารณาพระไตรักษ์คืออนิจจาไม่เที่ยงทุกขาเป็นทุกและอนัตตาไม่มีตัวตนของรูปนามปรมัตย์อย่างท่วงท่วเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าพระอริยมรรคก็จะเกิดขึ้น เราจะเห็นพระนิพานคือความดับของรูปนามด้วยการเกิดขึ้นแห่งพระอริยมรรคกิเลสจะถูกละไปตามลำดำับเมื่อพระอริยมรรคแรกเกิดขึ้นเราก็จะได้บรรลุพระอริยมรรคผลแรกเป็นพระโสดาบันด้วยการบรรลุพระโสตาปติมรรกิเลสคือสักยะทิชฌความเห็นว่าเป็นตัวของตน วิจิกิจชาความรังเรเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนและศีลพาตปปรามาตความยึดถือว่าเพียงประพฤติศีลและวัดให้เค่งครัดก็พอที่จะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาก็ตามถือศีลและวัดที่งมงายหรืออย่างงมงายก็ตาม ก็ถูกละได้หมดจดเด็ดขาดถึงตอนนี้เราก็ได้รู้และเห็นการทำงานของกิเลสได้อย่างชัดเจนเราเห็นมิจฉาทิจิที่ยึดมั่นว่านี้เป็นฉันนี้เป็นของฉันนี้เป็นอัตตาของฉันได้อย่างชัดเจนเราจะไม่เห็นความโลภว่าเป็นความโลภของฉันหรือความโกรธว่าเป็นความโกรธของฉัน เราจะไม่ทำร้ายตนเองโดยเจตนากระทากายทุจริตและวจีทุจริตใดๆที่จะนำให้เราไปเกิดในอบายภูมิสีได้อีกต่อไปบทสรุปถ้าเราต้องการชีวิตที่ปลอดภัยแท้เราต้องปฏิบัติพระไตยสิกขาคือศีรสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขา เมื่อวิปัสนาญาณถึงความแก่ก้าพระโสตาปฏิมักและผระโสตาปฏิผลก็จะเกิดขึ้นด้วยการบรรลุนี้เราก็ได้ปกป้องตนเองจากการกระทําทุจริตทางกายและวาจานับไม่ถ้วนถึงตอนนี้อัตมาใคร่จะถามท่านเป็นคำถามสุดท้ายของบท น, นี้ว่าท่านยินดีจะภาคเพียนเพียงใด ในการปฏิบัติกรรมฐานสามมาวายามะพระพุทธเจ้าตัดไว้ในสัจจิตะสูตรว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนผุ้คนผู้มีผ้าอันไฟไหม่หรือมีศีสษะอันไฟไหม่พึ่งทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขะมิน้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะ ให้มีประมาณยิ่งเมื่อดับไฟไหม้ผ้าหรือไฟไหม้ศีรษะนั้นฉันใดพิสุจนั้นก็พึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขมิน้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละทำทั้งหลายที่เป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกัน นี่คือสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบที่พระพุทธเจ้าทรงพรรณนาหากปราศจากความเพียรชอบเราจะคาดหวังที่จะบรรลุจุดหมายได้อย่างไรถ้าเราไม่อาจประสบความสำเร็จในการบรรลุจุดหมายในชีวิตนี้ในวันหนึ่งเราอาจต้องสํานึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เราไม่ได้ทุ่มเทความพยายามให้มากพอ ในขณะที่เรามีโอกาสขอให้ท่านแต่ละท่านพึงทำความเพียรชอบและปลุกเรากำลังกายกำลังใจไม่ท้อถอยเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เมื่อพระอรหัตตมักและพระอรหัตตผลเกิดขึ้นก็จะระกิเรตหมดจดเด็ดขาดไม่มีเหลือชาติสิ้นแล้วมีแต่ความสงบสันติ ชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยแท้ขออํานวยพรให้เราทั้งมวลหันเหชีวิตให้เป็นชีวิตที่ปลอดภัยแท้ขออํานวยพรให้แต่ละท่านและทุกทุ ก, ท, กท่านบรรลุพระนิพพานเทิดสาธุสาธุสาธุาธจเจริญพรและเมตตา เลวตะพิกุหมายเหตุพระอาจารย์เลวตะแสดงธรรมเทศานานี้เป็นภาษาอังกฤษดังนี้วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2548ที่พะเอาตอยะเมียนมาเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548 ที่วัดชองริงประเทศสิงคโปร์เดือนพฤษภาคม2551หบที่ประเทศเกาหลี